มองเห็นโลกเป็นแดนที่จะทะยานหาสิ่งเเสรเป็นที่ให้ความสุขและทุกสิ่งที่ปรารถนามองเห็นตนในฐานเป็นผู้ครอบครองเสพ็เสวยโลกมองเห็นผู้อื่นเป็นตัวขัดขวางหรือผู้แย่งชิงทําให้เกิดความหวงแหนความชิงชังความเกลียดกลัวการเหยียดหยามดูถูกการแข่งขันแย่งชิงการเบียดเบียนและการครอบงํากันระหว่างมนุษย์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 รู้จักทาจิตใจให้เป็นอิสระเบิกบานผ่อนคลายหายทุกข์ได้แยบขายขึ้นและเป็นวิธีบรรเทาความโลภโกรธหลงลดการแย่งชิงเบียดเบียนและลดปัญหาทางศีลธรรมชนิดที่มีฐานมั่นคงอยู่ภายในเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญสู่จุดหมายด้วยการอุดนุนขององค์ประกอบต่างๆดังที่ตรัสไว้ในอนุกัหสูตร อังคุตรณิกายปัญจกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ประกอบห้าอย่างคอยหนุนคอยอนุเคราะห์ย่อมมีเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตเป็นพลานิสงองค์ประกอบห้าอย่างนั้นคือ 1. ศีลความประพฤติดีงามเกื้อกูลพฤติกรรมไม่ขัดแยง้งเบียดเบียน 2. สุตะ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 การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามสภาวะของมันคือตามเป็นจริงและพึงเสริมด้วยพุทธพจน์ในอิตาสูตรอังคุตรณิกายทศกานิบาทว่าการฟังด้วยดีการสอบถามค้นคว้าเป็นอาหารของปัญญาโดยสรุปสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ตรงตามสภาวะคือเห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเป็นจริง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 ไม่ถูกจูงไปหรือยั่วยุได้ด้วยปรากฏการทางรูปเสียงกลิ่นรสโพชภะและกะตินิยมต่างๆจนเกิดเป็นปัญหาทั้งแก่ตนและผู้อื่นแต่ทำให้มีสติสัมปชัญญะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองคิดตัดสินและกระทำการต่างๆด้วยปัญญา